มันไเช่นนั้นเจ้าจงปรากฏตัวแล้วก็ขึ้นมาสนทนาตอบคำถามของเราให้กระจ่างเถอะแม้เจ้าจะล่วงล้ำเข้ามาภายในปริมณฑลที่พักของเราไม่ได้แต่บัดนี้เราก็ได้มายืนอยู่ริมขอบของอาณาเขตแล้วเจ้าก็จงเคลื่อนเข้ามาให้ชิดเราจะได้สนทนากันโดยมีเส้นแบ่งเขตกัน้นห่างกันแค่เอื้อม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 เสียงนั้นเหมือนจะคำรามก้องมาอย่างรู้ทันถ้าข้าปรากฏกายขึ้นเหมือนใดฝ่าพระบาทก็จะฉวยโอกาสทาร้ายข้าเหมือนนั้นนี่มันไตรเรามาพูดกันดีๆเถอะนะหากเจ้าไม่ประสงค์ร้ายต่อเราเราก็จะไม่คิดร้ายอะไรกับเจ้าหรอกออกมาสิ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 ในข้อที่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งจะถูกขอร้องให้ล่วงเข้าไปในเขตของอีกฝ่ายหนึง่งเราอยู่กันคนละฟากรั้วกั้นก็ได้นี่เราได้ยินเสียงของเจ้าแล้วเจ้าก็ได้ยินเสียงของเราเอาละสมมติว่าเรายอมรับตามคําของเจ้าว่าเราคือจิตกลางขนาดเราจะขอถามในสิ่งที่เราพิศวงตังขาอยู่ในขณะนี้ ้า จ, จะยอมตอบไหมฝ่าพระบาทมีพระประสงค์ต้องการารากในสิ่งใดมันใครจะตอบในทุกสิ่งที่ตอบได้เสียงลึกลับของอ ม, มนุษย์ผู้เป็นอมตะเริ่มโต้ตอบหล่อนมาอีกลดความเครียวกราดลงยังพิสูจน์ให้เห็นว่า หล่อนไม่ได้เตรียมการกระทําสิ่งใดเลยดารินค่อยๆย่อนกายลงนั่งบนโขดหินเตี้ยด้วยอาการสงบราบเรียบแต่มืออีกข้างหนึ่งยังกุมพระเครื่องรางบนสวงอกไว้ตลอดเวลาขอขอบใจต่อราชปุโรหิตมันตรเป็นอย่างมากนะที่ได้ให้เกียรติต่อเราตามฐานันดรศักดิ์อิสริยยศเดิม ในชาติปางบันของเราตามฐานะของจิตรางขนางเทวีดารินกล่าวเช่มช้าชัดเจนทุกถ้อยคำอันว่านามจิตรางขนางเทวีนี่เราเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งและมาได้ยินเจ้าเอ่ยเรียกเราอีกครั้งนักคืนที่เจ้าเข้าราวีเราเมื่อสองสามคืนก่อนนี้เอง เราทั้งสองฝ่ายได้พูจาสนทนากันเช่นขณะนี้แหละแต่ยังไม่กระจ่างชัดนะักแล้วก็เกิดการประทะขึ้นซะก่อนเพราะเจ้าใช้กองทัพคุชสารเข้าไล่หยียบย่ำพวกเรา <c oughs> <c oughs> ฝ่ายของข้าพระบาทได้กระทำร้ายข้าก่อนเอาเถอะมันใจ ใครจะทำร้ายใครก่อนเหตุการณ์ขนาดนั้นนะ่ะมันจะเริ่มต้นขึ้นยังไงเราเองก็สับสนลืมสมดุดละแต่ขณะ น, นี้ระหว่างเจ้ากับเราอยู่ในระหว่างการติดต่อสนทนากันหรือไม่ใช่ละแม้จะไม่เห็นตัวก็ตามใช่มันใครกำลังส่งกระแสจิตติดต่อกับฝ่าพระบาทอยู่พระเจ้า ด้วยเจตนาอันประสงค์ร้ายอย่างแอบแฝงใช่ไหมหาไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะฟังนะมันไรลเรื่องราวความเป็นมาของนิทรานครเราเคยได้รู้แจ้งหมดแล้วว่ามีความเป็นมาและเป็นไปเช่นไรเรื่องของกษัตริย์เคราะห์ร้ายที่ทรงพระนามว่าชัยสุริยาผู้ครองอาณาจักร เรื่องของราชปุโรหิตที่ปรึกษาราชาการแผ่นดินผู้เต็มไปด้วยอำนาจกิตติยมลลฟ้าในยุคนั้นเรื่องของขุนพลวรมันแม่ทัพหนุ่มผู้หมายปองเจ้าหญิงพันธุ ม, มวดีราชธิดาของเจ้าผู้ครองนครและเกิดการช่วงชิงกันขึ้นกับราชปุโรหิตมันไกลแล้วท้ายสุด ทุกคนต้องพ่ายแพ้ต่อเล่กกลมนมืดของราชปุโรหิตมันตรหมดสิ้อนอาณาจักรถล่มพินาศกลายเป็นนครแห่งความหลับไปชั่วนิรันดร์การโดยมีมันตรเป็นผู้ครอบครองอาณาจักรร้างและหลับสนิกนั้นเปรียบไม่ผิดอะไรกับนายนิรยบาลที่ปกครองข้าทาบบริวารอยู่ในนรกสิ่งที่เราได้รับรู้มาเหล่านี้ ไม่เคยมีนามของจิตรางคนางอันเป็นเจ้าหญิงอีกองค์หนึ่งซึ่งเจ้าอ้างว่าเป็นเชษฐพักกีนีของพันธุมวดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยไม่มีกษัตริย์หนุ่มนามว่าอัคนีรุษอันกลายมาเป็นพรานไพรในชาตินี้ซึ่งในสังหารพระชนชีพของพระราชบิดาแห่งจิตรางคนาดังเช่นที่เจ้ากล่าวกะบา เพราะฉะนั้นจงตอบเรามาว่าจิตรางขนางกับอคคนิรุษปรากฏขึ้นมาได้ยังไงในยุคนั้นสิ่งที่ฟาพระบาทอ้างว่าได้รับรู้เรื่องราวแต่หุ่นหลังมาโดยละเอียดได้รับรู้มาจากผู้ใด <S <S มันไตรผู้ไม่เห็นกายในขณะนั้น ย้อนถามมาในฉักพลันเราก็รับรู้จากขุนพลวรมันคู่แขนซึ่งเคยตกเป็นทาสของเจ้านั่นแหละมันไรเขาได้ฉายภาพทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้เห็นในนิมิตฝันสิ่งพิจารณาดูจากเหตุผลสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นสิ่งที่เราพอจะสรุปประมวลความเชื่อได้ทุกประการมันหลอกลวง มันโมสามันบายเบนความเป็นจริงที่สอนเร้งอยู่ลึกซึ้งความจริงก็คือนิรอนทรานครมีเจ้าหญิงอยู่สองพระองค์องค์แรกคือจิตราขันนางองค์ที่สองคือพันธุ ม, มวดีอคคิรุธคือกษัตริย์อีกอาณาจักรหนึ่ง ที่เป็นฝ่ายฆ่าศึกสัตรูภายนอกวรรม น, น่ะปองรักอยู่กับพันธุมมววีจิตแต่ก็หมายถึงว่าจิตร้างคนางผู้เป็นเชษพคักนีดื่มน้ำพิษทำลายองค์เองเพื่อหนีมันไรไปแล้วประกอบกับความเสียพระไทยที่บุรุษที่ตนหลงรัก คืออัคนิรุตรองพระชนพระราชบิดาในสนามยุทธด้วยดอกธนูมันไตรแต่ข้ารู้มาว่ากษัตริย์ชัยสุริยามิได้สิ้นพระชนด้วยการยุทธหากแต่สิ้นพระชนด้วยยาพิษของปุโรหิตมันไตรก็คือเจ้าเนี่ย วรมันมันมุสามันหลอกลวงมันปิดบังความจริงบางส่วนไว้เสียงของมันไตรกึกก้องในสมองของหลอนเสียงนั้นลั่นอื้อ อ, องไปหมดจนดารินต้องเอามือกุมศีรษะก็มีอยู่สองฝ่ายละถ้าวรมันไม่มุสาเจ้าก็ต้องมุสา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 ซึ่งข้ายังไม่อาจเข้าใจอะไรได้ในครั้งนั้นจะยังประโยชน์อันใดจะยังประโยชน์อันใดที่มันใครจะต้องฉเฉลยความจริงทั้งมวลแก่ฝ้าพระบาทในครั้งนั้นเพราะถึงอย่างไรก็ได้ตัวไว้แล้ว วรมันก็เป็นผู้ที่นำเสด็จหนีเงื้อมือของมันไกรออกมาได้ในขณะที่มันเข้าสิงสูงอยู่ในร่างของคนใช้ฝ่าพระบาทวรมันถูกลดปล่อยให้พ้นเนือ้อมือมันไกรหนีไปได้แล้วพร้อมกับทันทุมวดีถิงความเท็จ ความไม่กระจางแจ้งความปิดบังซ่อนเร้นในบางส่วนไว้ให้แก่ฝ่าพระบาทแต่มันไครนะั้นยังวนเวียนอยู่ยังเป็นผู้รอคอยฝ่าพระบาทพิจารณาเอาเองเถอะว่าจะเชื่อผู้ใดบรมันหรือว่ามันไครมัน ผู้จากไปแล้วยังมีความสุขกับมันที่ยังวนเวียนอยู่ด้วยเพลิงรักเพลิงพยาบาทและรุ่มร้อนไปด้วยความทุกข์ดารินงันนิ่งไปเกือบจะจำห น, นุนดารินรู้เรื่องราวของนิทรานครในขณะที่หลับฝันไปเท่านั้น แต่บัดนี้หล่อนได้รับการบอกเล่าจากมันไรโดยตรงน้ำหนักของความน่าเชื่อถือควรจะอยู่ที่ฝ่ายไหนกันแน่วูบหนึ่งหล่อนคิดไปถึงการพบปะกับสิ่งอันเหนือโลกชนิดหนึ่งในคืนที่หล่อนนั่งจุดทูปภาวนาขอบารมีองค์ฤษีโกนธัญะญเพื่อเปิดโลกนางผู้ที่เข้ามาปรากฏให้หล่อนเห็นนั้นเป็นสิงขอนเทวนาี นางได้เรียกหล่อนว่าจิตรางคนางเช่นกันสิ่งนี้หล่อนตระหนักแน่อยู่แก่ใจโดยไม่เคยได้เปิดเผยแก่พรรคพวกคนใดมาก่อนเลยเพราะเป็นสิ่งที่ยากจะอธิบายมันไตรหน่าจะให้ความจริงแก่หล่อนได้มากกว่านิมิตฝันในครั้งนั้นจากเหตุและผลที่นำมาเปรียบเทียบแต่ไม่ว่ามันจะเป็นความเท็จหรือความจริงแค่ไหน มันก็หาได้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ใดๆแกหลอนทั้งสิ้นมีก็แต่ผลร้ายอันน่าสะพึงกลัวทุกด้านเจ้าผีร้ายกำลังมาทวงถามนี่แต่บรรพชาติหลายกับหลายกันเอากัล่อดผูกพันเกี่ยวข้องไปถึงด้านความพยาบาทมากร้ายที่มีต่อรพินไพรวันที่มันอ้างว่าเป็นอัดคณนิรุษ ด, ด้วยมันไกล ในที่สุดหล่อนแข็งใจเอ่ยขึ้นในขณะนี้อคคณิรุธอยู่ที่ไหนล่ะมันกำลังก้าวไปสู่การวิบัติหายยันนะไม่มีสิ่งใดจะช่วยมันได้เลยไม่มี ไม่มีเกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าเรอมันไรนั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้ารอคอยการเวลาอยู่รอเหรือแลกกันได้ไหมแลกกันได้ไหมมันไรนี่เป็นข้อเสนอจากจิตรางคณา เลขอันใดเลขอันใดเจ้าจงมาเอาชีวิตของข้าไปแล้วละเว้นปลดปล่อยเขาซะอย่าได้ทำาอันตรายอะไรกับเขาเลยข้ายอมไปกับเจ้าแล้วมันใดยอมไปกับเจ้าไม่ว่าจะไปสู่นรกขุมไหนขอเพียงอย่างเดียว ขอจงยุติการตามล่าเขาให้หมดสิ้นเสียทีได้ไหมดารินวราริศกล่าวหนักแน่นพร้อมกับหล่อนก็ก้าวออกนอกเขตปริมณฑลของแคมป์ที่พักอันหนานอินขีดเส้นวงวายนั้นทันทีหนึ่ง1 9ในความมืดสลัวเต็มไปด้วยเงาของปริศนานั้น ดารินเก้าลงไปเก้าล้ำออกนอกเขตแดนอย่างช้าๆตามแนวของเส้นทางที่เอียงลาดลงไปสู่เบื้องล่างสติพร้อมเป็นเจตนาอย่างแน่วแน่ที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับมันตรในระยะประชิดหาได้เกิดจากการลืมตัวหรือตกอยู่ในอำนาจใดๆทั้งสิ้นไฟฉายในมือนั้นมี แต่ไม่ประสงค์จะฉายเพื่อไม่ต้องการให้เกิดความกระโตกกระตากใดๆทั้งสิ้นก่อนความจำเป็นหลอนรู้ตัวแน่นอนว่ากำลังทำอะไรอยู่นอกจากไรเฟิลในมือก็ยังมีปืนสั้นติดเอลอยู่อีกกระบอกหล่อนเชื่อว่าถ้าจำเป็นอํานาจของลูกปืนที่มีติดตัวอยู่ก็พอจะฉีกหรือทำลายอะไรก็ตาม ให้มันย่อยยบเปิดปึงออกไปได้แต่นั่นก็ยังไม่สร้างความเชื่อมั่นให้แกตนเองได้มากไปกว่าอำนาจเครื่องรางของขลังพุทธานุภาพและบารมีของอาราหันต์ทั้งหลายที่หล่อนเชื่อแน่ว่าจะต้องให้ความคุ้มครองหล่อนอยู่ในขณะนี้หล่อนก็สิทธ์มีครูเหมือนกันไม่กลัวมันสิอย่างเดียวอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ไป เสด็จลงมาเิดจิตร้างขนนาได้โปรดเสด็จลงมาหามันใครเสด็จลงมาแต่ละกเก้าย่างที่ลอนคลื่นต่ำลงไปอย่างระมัดระวังนั้น เสียงของเจ้ามารร้ายเชิญชวนกระทบจิตสมองของหล่อนอยู่ตลอดเวลาอีกประมาณสิบเมตรจะถึงตำแหน่งแท่นหิงใหญ่กึ่งทางของหุนทางลาดอันเป็นชะเงื้อมที่กำบังนั้นหญิงสาวหยุดยืนนี่มันไกรบัดนี้เราก้าวออกมาเพื่อที่จะได้พบเจ้าแล้ว เจ้าล่ะอยู่ที่ไหนมันไรชะไหนจึงไม่โผล่กออกมาและเราก็ยอมเสียสละจนถึงเพียงนี้แล้วเจ้าก็ยังหาได้ตกปากรับคำเราแม้แต่นิดในสิ่งที่เราขอร้องไว้นั่นก็คือขอให้ลาเวนการติดตามจองเวนอคคนิรุษลงเพียงแค่นี้ ดารินร้องออกไปอย่างใจเย็นและกล้าหาญขีดสุดไม่เคยมีครั้งใดในชีวิตที่ล่อนจะอาหารเสียงถึงเพียงนี้มาก่อนก้าวลงมาอีกพระองค์หญิงมันใครขอให้สัตย์ยะว่าจะปล่อยให้อัคมีรุษเป็นไปตามยถากรรมของมันเอง โดยไม่เข้าไปแต่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยการมุ่งร้ายทุกชนิดที่มันไรมีต่ออัคมีรุษจะยุดติสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ขอเพียงให้ยอดสเสน่หายอมเสด็จไปกับมันไรเท่านั้น <c oughs> หญิงสาวซ่อนยิน้ กระหนักได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าขนักนี้หล่อนกำลังเล่นอยู่กับมหาภัยพิบัติมืด อ, อันยิ่งใหญ่หน่าสะพึงกลัวที่สุดทว่าหล่อนก็เตรียมการและเตรียมพร้อมไว้แล้วเราก็พร้อมที่จะไปกับเจ้าแล้วมันไตรจึงได้ก้าวออกมาเนี่ย แต่เราก็ยังมองไม่เห็นเจ้าเลยไม่ว่าจะโดยตาเนื้อหรือโดยทางจิตแล้วเราจะไปกับเจ้าได้ยังไงขอให้พระองค์ยิงสเตตลงมาสเตตลงมาจนถึงชายป่าด้านล่างอันไม่ไกลออกไปนักมันไกลรออยู่ตรงนี้แล้วพร้อมกับคดชะสารทรง สำหรับฝ่าพระบาทเมื่อเสด็จลงมาถึงก็ขออันเชิญประทักบนหลังคนเจสามนี้ไปพร้อมด้วยมันไรเร็วเขาเถิดพระเจ้าค่ะอุสาเยือนไกลเขามาเต็มทีแล้วเร็วเขาประโยคหลังนั้นดูเหมือนจะเร่งราวมาอย่างกระวนกระวาย มันมืดเหลือเกินน้ำมันไกรเราไม่อาจมองเห็นเจ้าได้เจ้าขึ้นมารับเราณที่นี่ด้วยเถอะเช่นนั้นไซจงเสด็จตามทางตามทาดของฝาพระบาทที่รอน้ำเสด็จอยู่แล้วลงมาลงมาเถิดพระเจ้าค่ะ ขาดกระแสะความนั้นเงาทะมึนชนิดหนึ่งก็ค่ อ, คอยๆโผล่ลับเลียมหินเบื้องหน้าของหล่อนออกมาปรากฏเห็นชัดเป็นเงาตะคุ่มเพราะระยะห่างออกไปเพียงไม่มากนะักมันดูเหมือนเป็นมนุษย์ยืนด้วยขาสองขาสูงใหญ่เหลือประมาณดารินฉายไฟทันที พร้อมกับปากกระบอกไร ฟ, ฟ้นที่เซยขึ้นในระดับเอวแต่แล้วหล่อนก็ชะ ง, งักรีรออยู่เพราะจากลำไฟฉายที่สาดเจ้าออกไปนั้นหล่อนเห็นอสุรากายตนหนึ่งจริงลักษณะของมันก็คือซากมัมมี่อันน่าเกลียดน่ากลัวขนาดส่วนสูงเกือบเจ็ดฟุตแต่มันหาใช่ร่างที่มันไรสิงสถิตอยู่ไม่ หากแต่เป็นอีกลักษณะอีกซากหนึ่งซึ่งผิดแผกออกไปจากที่เคยจำได้ติดตาสภาพของร่างแข็งทื่อเหมือนท่อนหินนั้นส่วนสีสษะและใบหน้ามีรอยของหินย้อยย่อนลงมาเกาะบกคลุมไว้เหมือนคนสวมหมดหน้าแถบหนึ่งแห้งตอบมีหนังหุ้มอยู่สมบูรณ์ แต่อีกแทบหนึ่งบริเวณที่เคยเป็นเนื้อของใบหน้าแหว่งหายไปเห็นกระดูกโหนกแก้มโผล่เขาแนื้ฟันกรามซีกใหญ่แต่ละซีกขนาดหัวแม่มือภายใต้การเคลือบของผลึกหินใสมองดูแล้วคล้ายจะสสแยยิ้มรอคอยหลอนอยู่ดารินยืนนี่ อย่างยังตัดสินใจอย่างใดมิถูกไปเสี้ยววินาทีมันเป็นเวลาเดียวกับที่ทราบคำนวณหาอายุไม่ได้นั้นเริ่มเคลื่อนขึ้นมาหาหลอนอย่างแช่มช้าเหมือนจะตรงเข้ามารับเมื่อ น, นั้นเองเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางนรกแห่งความเงียบจนหลอนเองก็สะดุ้งผาวา เสียงเปรียงแผดสะเทือนเลื่อนเสียงนั้นดังลงมาจากขอบเนินเบื้องหลังของหล่อนคลื่นของอากาศรอดตัวกอดวู้สองหูลั่นอื้อเพราะกำปนานั้นพร้อมกันตรงหน้าที่หลอนกำลังจ้องพินิจอยู่นั้นแบกกระจายหายแว๊กไปซีกหนึ่งในพริตตาชนิดมองเห็นกันซึ่งซึ่งน้าเหมือนถูกจามด้วยขวานคมกริบขนาดใหญ่ แล้วร่างนั้นก็หมุนฟะ ง, งะส่วนเซไปด้วยแรงกระทบน้อยมอบลงเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนน้ำเสียงหลงดังติดตามลงมาจำได้ดีที่สุดว่านั่นเป็นเสียงของพี่ชายกลางอนุชาวราฤทธิ์แผนของหล่อนถ้าจะมีอยู่ในขณะ น, นี้มันก็ได้พังพินาศลงซะแล้วแล้วหล่อนก็ต้องปรับเหตุการณ์ใหม่อย่างฉับรันทันทีเหมือนกัน พระตัวเองก็ยืนอยู่ในแนวของวิถีกระสุนที่อาจจะพลาดมาถูกได้จึงทิ้งตัวหวบลงนอนราบกับพื้นทันทีในขณะที่ร่างมันยังหมุนตลบอยู่ลุนลุนลุนพรร่างของหล่อนล้มลงไปราบกับพื้นเท่านั้นกระสุนไรฟอนอีกนัดหนึ่งก็คื้นสนานไปต่อมาอีกแนวกระสุนจับเข้าบริเวณส่วนใดของไอ้ซากมื่นไปไม่ทราบได้ แต่คราวนี้เห็นตีนของมันหลุดจากพื้นพ ล, ล, ล, ลิกล้มตึงกริงทุกรุกลงไปตามหนทางอันลาดชันนั้นเป็นลักษณะของขอนไม้ที่ถูกผลักให้ร่วงหล่นลงไปเบื้องล่างในเงามืดของลาเมาะไม้เสียงช้างร้องอยังแตกตื่นประสานกันเซ่พร้อมกับเยียปารกชัดโครมครามหักพินาศ อันหมายถึงการเริ่มเคลื่อนไหวอย่างชุนละมุนเสียงพี่ชายกลางกึกก้องไม่อีกว่านอนอยุดตรงนั้นอย่าเพิ่งเงยหัวขึ้นมานักบัตนี้ดารินเองก็สับสนจากต้นชนปรายไม่ถูกแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นในลักษณะไหนหรือจะรู้ก็รู้อย่างเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างของหล่อนจะต้องตกอยู่ในการรู้เห็นของอนุชา นับตั้งแต่ย่างเท้าก้าวเดินออกมาจากบริเวณแคมป์ปักแต่เขาจะรู้ได้ละเอียดหรือเข้าใจอย่างไรนั้นหล่อนก็สุดจะย่างได้ทว่าก็ได้ทําให้แผนเดิมของหล่อนคลาดเคลื่อนไปซะแล้วด้วยการระเบิดกระสุนไรเฟิลมาสองนัดซ้อนเป้าหมายคือร่างของไอ้ผีดิบบริวารมันไทรที่กําลังเดินตรงขึ้นมาหาหล่อนและบัดนี้ ก็ยังไม่รู้ว่าอนุชาจะจัด ก, การอย่างไรต่อไปได้ยินแต่คำสั่งให้นอนราบอยู่ที่เดิมซึ่งถ้าไม่ง้อจนเกินไปนักหล่อนก็ไม่ควรที่จะขยับเงยร่างขึ้นมาตามคำสั่งนั้นอย่างเด็ดขาดยิ่งได้แต่นอนคว่ำอยู่กับพื้นมือทั้งสองไขวต้ตะปบกันปิดไว้ที่ท้ายถอยจริงอย่างที่นึกไว้ไม่มีผิดปรากฏเสียงป๊าะขึ้นก่อน ในอันดับต่อมาแล้วเพียงแค่นับหนึ่งสองเท่านั้นปลาหมะอเบื้องล่างอันกำลังเคลื่อนไหวคลื่นโครมไม้ไล่หักวินาศเพราะความแตกตื่นของช้างของในขนาดนั้นก็ปรากฏเสียงบึ้มแผ่นดินสะเทือนพร้อมกับประกายไฟแรกวาบแดงฉาน ห่างลงไปจากบริเวณที่หล่อนสุดหมอบอยู่แค่ไม่เกินสี่ห้าสิบเมตรเท่านั้นเศษผงธุรีกิ่งไม้เล็กๆปลิกปวกระจายว่อนตามเปลวระเบิดนั่นคืออนุภาคของระเบิดขนาด4ี่สิบมมที่ยิงกระนำลงมาด้วย m อ9เความย่อยยับเกิดขึ้นแล้ว ยังป่าที่เต็มไปได้วยเงาปริศนาเบื้องล่างอันหล่อนเพิ่งจะมาตระหนักเอาเดี๋ยวนี้เองว่ามีโคลงช้างจำนวนไม่น้อยทีเดียวกำลังแฝงตัวซุ่มสงบอยู่พี่กลางหล่อนอุทานแล้วก็ต้องหดศีรษะแย่เขียวอีกครั้งเมื่อมีเสียงป๊อบึ้มขึ้นเป็นนัดที่สองตับไตใส้พุงของหล่อนขนาด ย่อนไปหมดคลื่นเสียงระเบิดสังหารนั้นดังก้องสะท้อนไปในระหว่างภูเขารอบ ด, ด้านเหมือนฟ้าร้องปลุกความวิเวกเยือกเย็นของบรรยากาศใกล้รุง่งให้อึงอนโกลาหนจะมีอะไรเหลือสำหรับการวางแผนอ่อยเหยื่อของหล่อนต่อไปอีกในยามนี้ในเมื่อไรเฟิลแพรขึ้นสองนัด ตามติดมาด้วยระเบิด40มมจากเครื่องยิงที่ยอดลงไปยังแนวละเหมาะเบื้องล่างอีกสองลูกโดยฝีมือจากคนบ้ายังเฉียบขาดเช่นพี่ชายกลางของหลอดดารินถอนใจเฮือกใหญ่พลิกตัวนอนหงายมองดูท้องฟ้าขี้เกียจจะลุกขึ้นมาแล้ว ทำกลางความอึงออนวุ่นวายที่ปรากฏแทรกขึ้นอย่างกระทันหันนั้นพวกข้างบนแคมป์ก็ตะโกนโวยวายกันไม่ได้สับส่วนไอ้ช้างภายใต้มนบังคับของจอมายาผีดิบมันไรที่แฝงแนวซุ่มอยู่ก่อนซึ่งบัดนี้แตกหนีกันโอนละมานปาเล็กยัดร้องแทรประสานกันด้วยความตกใจระคนเจ็บปวดระนึกไม่ออกเหมือนกัน การะเบิดสังหารขนาด40ม ม, มหากตกลงไปกลางโขลงช้างมันจะเป็นผลเช่นไรบ้างแต่รู้แน่ๆว่า่อให้อาคมของมันไรชงัดสักแค่ไหนพวกมันก็อยู่ไม่เป็นหรือไม่สามารถคุมกันเป็นขบวนนะอีกทั้งไม่สามารถที่จะชาร์จขึ้นได้แน่นอนมันแต่ละตัวอาจไม่ถึงตายแต่คงบาดเจ็บ เลือดสาดกันไปแทบทุกตัวในรัศมีของสะเก็ดระเบิดอันละเอียดยิบจำนวนมากมายของระเบิดใช้สังหารคนประเภทนั้นดวงไฟฉายนับจำนวนไม่ทุวนสาดจ้าลงมาที่หล่อนคนทั้งหมดในแคมป์พากันแล่นลงมาเป็นขบวนพร้อมกระเสียงโวยวายประสานกันจำแนกไม่ถูกส่วนมากก็ตะโกนเรียกน้าหลอนนั่นแหละ ดารินนอนเฉยเอานิ้วขยี้ปลายจมูกอย่างหงุดหงิดใจหลอนไม่โกรธพี่ชายหรือกลุ่มของพักพวกที่เข้ามาทำลายแผนการของหลอนเหล่านี้หรอกแต่นึกสาบแช่งต่อเหตุการณ์หลอนไม่ต้องการจะให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเลยเพราะตนเองนะ่ะวางแผนไว้อีกอย่างหนึง่งแต่ก็นั่นแหละแผนของหลอนอาจไม่ถูกต้องก็ได้ถตหากยอมเปิดเผยกับคนเหล่านั้นออกไป เพราะฉะนั้นตอนนี้หล่อนก็กําลังหาเรื่องโกหกกลบเกลื่อนอยู่ว่าจะตอบคำถามพวกพี่ๆและคนทั้งหมดด้วยกันยังไงดีจึงจะไม่ถูกดุว่าตำหนิสองคนที่แล่นลงมาถึงหล่อนเป็นคู่แรกคืออนุชากันนนอินพอถึงก็หิ้วประคองไปชุดให้ลุกขึ้นยืนดารินไม่อยากฟังเสียงว่าทั้งสองคนโวยและล่ำาละลักกันหล่อนยังไงบ้าง แล้วก็พริบตาต่อมาก็เป็นคู่ของเชิฐากระชัยยันซึ่งปราดออมาถึงติดๆรายล้อมมาด้วยขยินและลูกหาบทั้งหมดที่พากันห่อแนบลงมาชนิดไม่เหลืออยู่บนแคมสักคนเดียวสองหูของหล่อนครั้งแรกนั้นมันอื้อเพราะเสียงไรเฟิลและเสียงระเบิดแต่บัดนี้อื้อเพราะเสียงเหมือนเจ็ทเรือแตกที่ดังอยู่รอบกายไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไรหรอกหล่อนเอามืออุดหูแล้วบอกกับพวกนั้นเรียบๆ เ, เว้นระยะไปอีกครู่ก็บอกต่อมาโดยไม่อยากฟังเสียงถามว่าแล้วก็โปรดรับทราบไว้ด้วยทุกคนนะคะน้อยไม่ได้เสียสติมีความรู้สึกที่ครบถ้วนทุกประการไม่ได้ตกอยู่ในมนสะกดหรือต้องอำนาจมายามืดอะไรทั้งนั้นพี่ชายสองคน เพื่อนอีกหนึ่งที่กำลังละล่ำละลักฟังไม่รับอยู่บัดนี้อ้าปากค้างนิ่งเงียบกันไปชั่วขณะจ้องมองดูหล่อนอย่างประหลาดใจที่สุดแล้วก็ยิ่งงุนงงเมื่อหล่อนกลับเป็นฝ่ายถามว่าตะกี้ใครเป็นคนยิงไรเฟิลแล้วใครเป็นคนยิงเอ็มเจ็ดเก้าเฮอะไรกัน เธอแน่ใจเหรอว่าขนาดที่เธอเดินลงมาจากแคมป์นี่เธอมีสติครบถ้วนน้อยชัยยันร้องอ็ดฉันรู้ว่าฉันทำอะไรแล้วก็รู้ด้วยว่าต่อไปจะต้องทำอะไรแต่ที่ถามตะ ก, กี้นี่ยังไม่เห็นมีใครตอบเลยบ้าและอีรายนี่บ้าแน่ๆ แ, แล้วครับพี่ใหญ่อนุชาหรืออดีตพรานชดุด โกลลั่นขึ้นเขย่าไหลน้องสาวเล็กแต่ดารินปัดแขนพี่ชายกลางออกไปเชษอฐาจึงรั้งไหลให้อนุชาถอยมาก่อนตัวเองก้าวเข้าไปไประเชิญหน้าใช้ไฟฉายจ้องสองจ้องหน้าอย่างพินิจน้อยเขาเรียกเน้นเสียงจริงจังเหมือนจะยั่งท่าทีคะพี่ใหญ่ทาไมถึงผิดสัญญา ไหนบอกกันไว้มั่นเหมาะว่าจะไม่ออกนอกบริเวณที่พักอย่างเด็ดขาดไงดารินรฝืนยิน้มหลอนรู้สึกลำบากใจอย่างยิ่งที่จะให้คำตอบเพราะหาข้อแก้ตัวที่ทำความเข้าใจกับทุกคนได้ยากเหลือเกินจริงๆน้อยก็ไม่ได้ตั้งใจจะผิดสัญญาหรอกนะคะแต่น้อยมีเหตุผลในการออกนอกเขตที่พักมาเพียงระยะแค่นี้ เหตุผลอะไรจะออกไปให้ไอ้ผีดิบเป็นหักคอหรือช้างขยี้ไงเสียงอนุชาตะค อ, อกมาอย่างฉุนเฉียวเจิถาบกมือไปทางน้องชายให้สงบปากคำซักแล้วพยักหน้าปลอบถามไหนบอกพี่สิเหตุผลของน้อยน่ะว่าไงอืมพี่ใหญ่คะ เหตุผลของน้อยนะมันอาจจะไม่เหมือนกับเหตุผลของคนอื่นก็ได้นะคะคือหนึ่งน้อยเห็นว่ามันใกล้สว่างแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวสองก็อยากรู้อยากเห็นอะไรให้มันชัดๆกระจ่างแจ้งกระตาตัวเองอะแล้วก็สามขณะที่ทำในข้อหนึ่งและข้อสองน้อยรู้ว่าตัวเองมีสติสัมปชัญญะพร้อมไม่ได้ตกอยู่ในการชักจูง หรือถูกอำนาจอะไรเข้ามาสะกดแล้วก็ข้อสี่น้อยเชื่อมือตัวเองว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนนี่เอางี้ดีกว่าอะไรที่ทำให้เธอบ้าเดินลงไปทั้งๆ ท, ท, ที่มันมือตื้ออย่างเงี้ยชยันถามสวนไม่คนหนึ่งอย่างสงสัยเต็มที่ไม่มีใครเข้าใจหล่อนจริงๆ ดารินเม้มปากหล่อนไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกเล่าความจริงใดๆทั้งสิ้นฉันมายืนอยู่ตรงขอบเนินที่เราพักกันอยู่นั่นหล่อนบุยปากขึ้นไปด้านบนอันเป็นที่ตั้งของแคมป์ก็ฉายไฟมาดูที่โขดหินใหญ่นี่เห็นมีอะไรลับๆ ล, ล่อๆอยู่ก็อยากจะเห็นให้รู้ชัดก็เลยเดินลงมา ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันไม่กลัวอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ไฟฉายกับปืนก็พร้อมอยู่ในมือฉันเผชิญได้ทุกอย่างแล้วระยะที่เดินลงมาจากตรงนั้นมันก็ไม่ได้ห่างไกลอะไรนะักกะไว้ว่าจะเดินมาถึงแค่นี้แหละไม่ลงไปให้ห่างจากนี่หรอกก็แล้วไอ้ผีหานะ่ะมันโผล่พรวดมาจากโขถหินกำลังเดินขึ้นมาหาเธออนุชา พ, พูดเร็วปรืออาการหัวฟัดหัวเวียงชี้หนะ้า ฉันเห็นเธอยือนสองไฟดูมันฉเฉยปืนในมือก็ไม่ได้ยิงสักกระป๋องฉันก็เลยต้อตัดสินใจยิงโครงมมาทําไมเธอถึงได้ยืนเฉยแบบนั้นจะให้มันเข้ามาหักคอเธอก่อนหรือไงดารินสั่นสีสรษะโถพี่กลางใครจะยอมให้มันเข้ามาหักคอแล้วก็ยืนดูอาการท่าทีของมันว่าจะมันจะมาไม้ไหนยังไงปืนก็มีพร้อมอยู่ในมือแล้วนี่ จะยิงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วน้อยก็แน่ใจด้วยว่ามันทําอะไรน้อยไม่ได้มันเข้ามาชิดตัวน้อยไม่ได้อย่างเด็ดขาดน้อยมั่นใจอย่างนั้นนะหล่อนโมโหขึ้นมาบ้างจึงใช้คําแทนตัวกับพี่ชายหนักๆชายันเห็นท่าไม่ดีนักสําหรับพี่น้องคู่นี้ก็เลยกันอนุชาที่กําลังทําท่าแยกเขี่ยวจะปรีเข้ามาอีก หลักให้ถอยห่างออกไปกระซิบบอกว่านี่นี่นี่แกก็อย่าโมโหโทโสเป็นนักเลยนะกลางถื อ, อยังไงน้อยก็ปลอดภัยเรียบร้อยดีแล้วเขาน่าจะมีเหตุผลอะไรสำหรับเขาที่กล้าบ้าบินอย่างเงีย้ยและเพื่อนชายก็หันมาทางหล่อนนี่เธอแน่ใจนะว่าเธอไม่ได้ถูกอำนาจของมันสะกดให้ต้องเดินลองอมาก็ฉันเอาไฟฉายส่องหน้ามันอยู่นะ เขาไม่ได้ตกใจกลัวอะไรเลยเหรอไม่ฉันไม่เคยกลัวเจ้าพวกนี้เลยสักนิดเดียวสําหรับเดี๋ยวนี้ตอนที่มันยกกองทัพช่างขบุกพวกเราในคืนนั้นก่อนจะเกิดยิงกันขนาดใหญ่ฉันก็เห็นพวกมันเข้ามาเดินป้วนไปเหยนในแคมป์ฉันยังพยายามเดินเข้าไปพูดและสังเกตดูสภาพของพวกมันอย่างใกล้ชิดห่างกันแค่เอื้อมเท่านั้นแล้วนี่มันก็โผล่มาเห็นอีกทําไมอ่ะทำไมฉันจะต้องสะดุ้งกลัวมันแบบคนขวัญอ่อน นี่ฉันมีไอ้นี่งไงลันชูไรเฟิลกับตบสวงอกอันกลัดพระเครื่องให้ทุกคนเห็นนี่แล้วรู้หรือเปล่าว่าข้างล่างในละเมอหน่นะ่ะมีช้างทั้งโขลงน่ะซุ่มอยู่พี่ชายใหญ่ถามมาบ้างรู้คะ่ะอย่าว่าแต่ช้างผีพวกนั้นเลยแม้แต่ตัวการคือมันไรที่รอคอยอยู่ข้างล่างน้อยก็รู้มันเพียงแต่ว่า ถ้าน้อยไม่เดินลงไปถึงละเมาะข้างล่างสัอย่างมันไหรือช้างบริวารของมันพวกนั้นก็ไม่กล้าที่จะไต่เนินขึ้นมาใกล้ที่พักของเราหรอกพี่และเพื่อนอึ้งกันไปอีกเสียงลูกหาพูดกันแซดมองหล่อนเป็นตาเดียวนานอินโคลงหัวจุปากโอ้นายหญิงนายหญิงจะทำเรื่องให้นานอินเดือดร้อนซะแล้ว ก็บอกอยู่ว่าจะไม่ออกไปเพลอนิดเดียวก้าวออกนอกบริเวณซะแล้วรู้รู้กันอยู่ว่าพวกมันนะ่ะคอยดักเล่นงานเราอยู่รอบรอบเนินนี่เพียงแต่ยังไม่กล้าขึ้นมาเท่านั้นแล้วแกก็ฉายไฟลงไปยังละเมะไม้ใต้ตีนเนินซึ่งบัดนี้เสียงช้างพวกนั้นคเนจจากเสียงว่ามีอยู่ไม่เกินสิบสองสิบสามตัว <c oughs> เปิดป่าราบไปหมดแล้ว เพราะอำนาจของ m อ9 <c oughs> นานอินหันมาทีแรกเห็นนายหญิงยังยืนอยู่บนขอบเนินดีๆตามคำพูดแต่พอเหลียวมาอีกทีอา้าวหายไปซะแล้วเลยแล่นไปปลุกนายชดนายชดแกก็ตื่นมาพร้อมกับ น, นายทหารและนายใหญ่พวกเราก็วิ่งมาดูเห็นนายหญิงกำลังยืนรอไอ้ผีตายซ่าที่กำลังไต่ฐางขึ้นมาระยะทางมันก็แก่ไกล ไม่ทำอะไรมันสักอย่างนายชดก็เลยซัดตูมตูมก็สองนัดพอได้ยินเสียงช้างร้องอยู่ในดงข้างล่างนายทหารก็เลยเอาปืนยิงระเบิดซัดลงไปที่นั้นอีกสองนัดกันแม่มันแหลนสวนขึ้นมาโ น, น่เปิดปาราไปหมดแล้วใช้ ย, ยันเองเหรอที่ยิงเอ็มเจ็ดเก้าอนหันไปทางเพื่อนชายอืมใช่ฉันเองแหละไม่ยิงได้ไง มันตั้งขบวนรอคอยอยู่แล้วยังกัะช้างศึกเตรียมประจันบานให้ตายฮะน้อยเดี๋ยวนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละว่าทำไมเธอถึงได้บ้าบินแบบนี้ฮะขอโทษขอโทษสำหรับทุกๆคนถ้าเห็นว่าฉันทำผิดข้อสัญญาแต่เหตุผลก็อย่างที่บอกไปแล้วดารินพูดเสียงอ่อนลงไม่มีอะไรที่หล่อนจะพูดได้ดีไปกว่านี้ เชิดาหันไปร้องตะโกนสั่งให้ขยินและพวกลูกหาบฉายไฟตรวจหาซากของไอ้ผีดิบที่อนุชา ย, ยิงกระเด็นลงไปพวกนั้นตามกันลงไปเป็นพร่วนปืนพร้อมแต่แล้วก็ตะโกนบอกขึ้นมาว่าหาไม่พบนะนายมันคงแอ บ, บลุกขึ้นหนีไปแล้วละ่ะตอนที่เราชุลมุนกันอยู่ไอ้ผีดิพวกนี้มันไม่ตายหรอกนายต่อให้โดนลูกปืนสักขนาดไหน พบแต่เศษกะโหลกของมันข้างหนึ่งหลนกลิ้งอยู่เพราะถูกปืนพรานชดผาแล้งไว้ตัวมันหนีไปได้แล้วละเชษถาบกมือถ <c oughs> ังนั้นก็กลับขึ้นมาก่อนให้ตะวันขึ้นใช้ก่อนค่อยมาตรวจดูร่องรอยกันใหม่ตอนนี้ใครอย่าเพิ่งลงไปที่ละมอข้างล่างเล น, นะทุกคนกลับขึ้นมารวมกลุ่มกันยังบริเวณโขดหินนั่นอีกครั้ง ดารินขยับจะเดินกลับขึ้นไปคนเดียวหน้าตาเฉยแต่พี่ชายใหญ่เหนียวไหลไว้เดี๋ยวก่อนน้อยอย่าพ้นขึ้นไปไประเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมๆกันทุกคนนานินบอกว่าก่อนหน้านี้เธอยืนอยู่กับไอ้ด่วนตรงปลายเนินนั่นไม่ใช่เหรอค่ะแล้วตอนนี้ไอ้ด่วนมันหายไปไหนแล้วน้อยก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็เห็นมันยืนอยู่ใกล้ๆช่วงระยะเวลาหนึ่ง หันมาดูอีกทีนึงอ้าวไม่เห็นใชแล้วก็เข้าใจว่ามันคงจะแยกไปหากินของมันตามประษามันไม่ได้อยู่กันน้อยตอนที่มันน้อยลงมาหรอก <c oughs> น้องสาวตอบเรียบเรียบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย <c oughs> พี่ชายใหญ่พูดอะไรไม่ออกอีก <c oughs> ได้แค่เกาต้นคอแกรกแ ก, รกอย่างแสนจะขัดใจละ <c oughs> คนพิษสงส์สงสัยในอาการของน้องสาวเต็มที่ <c oughs> และที่สุด ก็สั่งให้ทุกคนกลับขึ้นไปบนปางพักตามเดิมตัวเขาเองเดินเฉียดเข้าไปใกล้น้องชายกลางที่ยืนหน้าห น, นิวคิ้วขมวดอยู่กระซิบว่ากลางพี่วะน้อยเนี่มีอะไรที่ลึกลักมากแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริงกับพวกเราทั้งหมดเฮ้ยจะมีอะไรล่ะครับนอกจากความบ้าความคลุ้มคลั่งเน่ยพี่ใหญ่อนุชาสบัดเสียงอย่างหงุดหงิด มองไปทางน้องสาวผู้กำลังเดินขึ้นเนินไปพร้อมกระชัยยันอย่างเริ่มหนักใจที่ทวีขึ้นทุกทีกลางพี่ว่เธอก็อาจจะใจร้อนไปหน่อยนะที่เปิดฉากยิงขึ้นสักก่อนในขณะที่น้อยประจันหน้ากับไอ้ผีตายซากมนั่นพี่ว่เธอน้าจะคุมเชิงคอยดูให้ถึงที่สุดว่าน้อยจะมีการพบปะก หรือมีท่าทียังไงกับไอ้ผีดิบที่เขาเดินลงไปพบมันอนุชาหัวเราะฮือฮือพี่ใหญ่ครับผมน่าไม่ใจเย็นเหมือนพี่ใหญ่หรอกไอจะรอให้มันคว้าคอหอยใหญ่นั่นก่อนหรือว่ารอให้มันหิวตัวไปซื้ก่อนแล้วค่อยตามทีหลังผมว่ามันอาจจะช้าเกินกว่าที่จะช่วยได้ทันครับเชิถฐานพยักหน้าโอบไหลน้องชายกลางผู้เลือดร้อน ให้เดินตามพวกนั้นขึ้นมาเป็นคู่ล่าหลังสุดบอกเบาๆมาว่า <c oughs> เอาละเอาละเธอก็อย่าไปฉุนเฉียวอะไรกันน้อยมากนักเลยเราก็รู้อยู่แล้วว่าจิตใจเขาไม่เคยจะปกติหรือจะพูดให้ตรงก็คือป่วยทางจิตอย่างหนักบะเดี๋ยวคย่อยๆปลอบถามตะล่อมหาความจริงเอาดีกว่าอย่าไปเกลี้ยวกราดดูว่าอะไรแล้วกันอดีตพรานชดยักไหลยิ้มแค่น ผมจะพยายามทำใจให้สงบที่สุดสำหรับแม่เจ้าประคุณคนนี้แต่สาบานเะมื่อกี้ถ้าผมไม่ยิงผ่ากะโหลกไอตัว ป, ปรีน่นสซกก่อนแล้วแต่ชัยยันไม่เอาเอ็มเจ็ดเก้าถล่มลงไปที่ป่าข้างล่างป่านนี้เรายังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกันน้อยเขาอาจจะร่างกายแหลกเหลวหรือไิ่ฉะนั้นถูกขโมยตัวสูญหายไปแล้วก็ได้เมื่อทุกคนมาประชุมพร้อมกัน อย่างบริเวณแคมป์ที่พักบนยอดเนินอีกครั้ง <c oughs> ท้องฟ้าเริ่มจะปรากฏแสงเรืองๆขึ้นแล้วนานอินไล่พวกลูกหาบให้ไปจัดการหงหาเตรียมอาหารเช้าในทันทีส่วนคณะเจ้านายนั่งล้อมวงดื่มกาแฟกันอยู่เป็นกลุ่มดารินนั่นคงรักษาความหน้าตายนั่งเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามเดิม ป่อยให้การพูจาหารือถึงเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เป็นเรื่องของพี่ชายสองคนและชายยันเท่านั้นโดยหล่อนไม่เอ่ยอะไรเลยนอกจากจะสูบบุหรี่อัดควันลึกและมองนิ่งอยู่ที่ปลายบุหรี่ติดไฟนั้นอย่างใช้ความคิดตัวเองนั่งห่างออกจากคณะสามคนออกมาเล็กน้อยครู่ต่อมาหล่อนขยับตัวลุกขึ้น ถ่าทางจะเดินไปทางกลุ่มของพวกลูกหาบที่ทำงานกันอยู่เหมือนจะเปลี่ตัวแต่เชิดฐาทักไว้ยังไม่ต้องไปไหนก่อนน้อยข้ามานั่งใกล้ๆพี่นี่หน่อยสิน้องสาวคนเล็กจำใจต้องเดินเข้ามานั่งใกล้ๆพี่ชายใหญ่ยกมือทั้งสองขึ้นลูปหน้าแล้วประกาศขึ้นเบาๆว่าทุกคนโปรดอย่าถามอะไรน้อย ในคำถามที่ตอบไปแล้วนะคะเพราะไม่อยากจะตอบซ้ำๆก็สารภาพแล้วไงว่าทำผิดข้อสัญญาอย่ามาว่าอะไรกันอีกเลยเอาและ่ะพี่ก็จะไม่ว่าอะไรเหมือนกันแต่ก็ขอทราบความจริงเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมน้อยก็ให้ความจริงตอบไปหมดทุกคำถามที่รวมกันสอบสวนน้อยแล้วนะะี่ค่ะเชษฐาสันสีรษ พยายามใช้คำพูดที่ปลอบโยนอย่างนิ่มนวลที่สุดยังยังไม่หมดทุกคำถามหรอกแล้วก็อยากคิดว่าเป็นการสอบสวนเพื่อจับผิดตําหนิอะไรเลยนะพี่เองเชื่อว่าน้อยต้องมีเหตุผลทางด้านส่วนตัวของน้อยแน่ๆเพียงแต่ไม่บอกมาให้กระจ่างเท่านั้นมีอะไรที่น้อยจะต้องปกปิดอำพรางพวกพี่อย่างนั้นเหรอเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นตะเกียร ไม่มีค่ะหล่อนตอบไม่เต็มเสียงนะักไม่ยอมสบตาใครทั้งสิ้นอนุชากระชายันขณะนี้นิ่งเงียบเฉยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ชายใหญ่แห่งคณะตะล่อมถามแม่ตัวปริศนาตามที่อนุชาว่าให้สัญญาไว้ตามลำพังโดยไม่สอดแทรกขึ้นแต่ทั้งสองก็แลนนิ่งจับอากับกิริยาของหญิงสาวมาชนิดตาไม่กระพริบแน่ละ ทุกคนยังเต็มไปได้วยความประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวนี่น้อยกลางกระชยันนะ่ะบอกกับพี่ว่าขณะที่เขาเห็นเธอยือนประจันหน้าอยู่กับไอ้ผีดิบตรงตำแหน่งนั้นนะระยะมันประชิดจนเจียนเหลือเกินจนหน้าที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้เพราะเห็นเธอยือนส่องไฟฉายปล่อยให้มันเดินใกล้เข้ามาทุกทีเอาละ ถ้ากลางไม่ยิงลงไปสักก่อนเธอจะทำยังไงต่อไปไหนบอกพี่ทิชเชษฐาเป็นคนละเอียดที่ยิบเหมือนเดิมและป้อนคำถามหรือสอบปากคำชนิดที่ทำให้หล่อนต้องลำบากใจยิ่งในการที่จะค้นหาคำตอบเพราะไม่อาจจะบอกความจริงภายในใจที่คิดไว้ของตนเองได้ทั้งหมดขืนบอกไปมันก็ยิ่งมากความบานปลาย ก็ไม่ใช่ความผิดของพี่กลางหรอกคะ่ะที่ยิงลงไปสักก่อนแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของชา ย, ยันด้วยที่ใช้ระเบิดกระหน่าลงไปยังชายป่าข้างล่างติดต่อกันไปเพื่อขับไล่มันไตรกระช้างผีสิงอันเป็นบริวารของมันที่รอคอยอยู่ข้างล่างนั่นหล่อนตอบเลี่ยงๆความจริงน้อยก็ระวังตัวอยู่แล้วล่ะที่เห็นในผีตายซากนะ่ะมันเดินเข้ามาหา แต่ที่ไม่ได้ทำอะไรลงไปก็เพื่อจะรอดูว่ามันจะเข้ามาใกล้น้อยได้สักแค่ไหนและจะส่งภาษาบอกความอะไรให้กับน้อยได้บ้างเพราะมันไตรมันหลบอยู่ที่ละเมอะตีนเชิงเขาไม่ยอมขึ้นมาเพียงแต่ให้บริวารของมันหลบหลบอยู่ที่หลังก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นเท่านั้นนี่น้อยพี่คิดว่า นั่นไม่ใช่ความกล้าหาญที่น้อยพร้อมจ ะ, ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่แสนจะน่ากลัวแนะ่นอนนะมันจะต้องมีอะไรลึกล้ําไปกว่านั้นมันผิดวิสัยไปมากๆในการที่เห็นอยู่ชัดๆว่าไอ้อมนุลูปร่างหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวเคลื่อนเข้ามาแล้วตัวเองกลับยืนดูมันเฉยเหมือนเห็นคนธรรมดาหรือมิตรเดินเข้ามาใกล้อย่างนั้นเนี่ยพี่ใหญ่คะ พี่ใหพอจะเข้าใจกับคําว่าความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจบ้างไหมคะน้อยมีความรู้สึกอย่างที่บอกไว้นั่นแหละขณะที่มันเคลื่อนเข้ามาเพราะน้อยเชื่อมั่นว่ามันทําอะไรน้อยไม่ได้ปรับใดก็ตามที่พระยังติดตัวน้อยอยู่และสติก็พร้อมอยู่อย่างนั้นนี่แปล ว, ว่าเธอพิจารณาไอ้ผีดิบนั่นในฐานะมิตรหรือเพื่อนน่ะเหรอ ชยันอดไม่ได้ที่จะต้องสอดขึ้นก็ไม่ใช่อย่งงางนั้นหรอกฉันบอกแล้วไงว่าฉันกำลังดูท่าทีของมันจนถึงที่สุดฉันไม่กลัวมันแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะทำอันตรายใดๆแก่ฉันได้เลยในขนานั้นอ่ะน้อยสมมุติแล้วนะว่ามันทำอะไรเธอไม่ได้แล้วอะไรเป็นความคิด หรือแผนการต่อไปของเธอล่ะพี่ชายใหญ่บีบวงรัตแ่งคำถามแคบเข้มาไมีมันก็อาจจะส่งข่าวบอกความอะไรที่เป็นประโยชน์กันน้อยก็ได้นี่ครับพี่ใหญ่ประโยชน์เหรอประโยชน์ด้านไหนล่ะเชืท้าถามขมวดคิว้วยังน้อยก็ในเรื่องจุดประสงค์ของพวกมัน ว่าจะเอายังไงกับเราแน่จะติดตามมาจองล้างจองผลาญเพื่ออะไรแล้วก็อาจจะให้ข่าวอะไรที่เกี่ยวพันไปถึงรับพินบ้างก็ได้นั่นเป็นความคิดหวังของน้อยนะคะจึงทำให้กล้าเดินลงไปพี่ชายใหญ่ครางในลำคออย่างไม่ศรัทธาบรรจุกล้องยาเส้นโดยสายตาไม่เปลี่ยนไปจากใบหน้าของน้องสาว แล้วมันได้พูดจาส่งภาษาบอกอะไรกันน้อยมั่งล่ะไหนลองล่าให้ฟังสิก่อนที่กลางจะยิงลงไปอ่ะเฉพาะไอ้ตัวบริวารที่ซ่อนอยู่หลังโขดหินและโผลอกมาหาน้อยเนะี่ยมันยังไม่ได้บอกอะไรกันน้อยเลยสักอย่างแต่ตัวนายของมันคือมันไตรที่รอคอยน้อยอยู่ข้างล่างส่งสัญญาณบอกขึ้นมาว่า ให้เดินตามไอ้ตัวสูงใหญ่ลงไปยังป่าละเมาะข้างล่างซึ่งน้อยอยู่ในระหว่างต่อรองกับมันเพื่อจะล่อให้ตัวมันไรนะ่ะโผล่ออกมาปรากฏตัวให้เห็นชัดๆแต่เหตุการณ์มันผันเปลี่ยนไปซะก่อนโดยลูกปืนกระเบิดของฝ่ายเราถ้าน้อยจะยิงไอ้ตัวนั้นน้อยก็ยิงซะก่อนวิกกลางนี่แหละแต่นี่น้อยต้องการจะรอดูมันจนถึงที่สุดต่างหากถึงได้ยังสงบนิ่งอยู่ ถ้าว่าน้อยก็เตรียมพร้อมไม่ได้ประมาทหรือลืมตัวหรอกไม่เคลียร์เลยในคำตอบของหล่อนมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เธอยังปิดพวกพี่อยู่นะพี่ชายใหญ่พึมพำเก็บความขัดใจไว้มิชิตนี่ผมว่าพี่ใหญ่นะอย่าไปเค้นหรือคาดคันอะไรเลยครับผมบอกแล้วว่าน้อยนะ่ะเริ่มมีปฏิกิริยาอะไรที่ลึกลับเกี่ยวกับภัยที่มันจ้องเล่นงานเราอยู่ในขณะนี้ แล้วเริ่มจะทําให้เราหนักใจเป็นอย่างยิ่งแล้วถ้าเขายังไม่ยอมบอกความจริงอะไรให้กระจ่างอยู่แบบนี้พลาดพลั้งเราจะช่วยเขาไม่ทันเลยนี่ผมชักจะกลุ้มใจซะแล้วล่ะเนี่ยดารินมองไปทางพี่ชายกลางด้วยสายตาที่อ่อนลงก่อนเข้าใจความรู้สึกของเขาดีที่สุดเปล่าด้วยน้ําเสียงสุภาพเอาใจว่าพี่กลางคะพี่กลางก็อย่าห่วงอะไรน้อยให้มากนักเลยคะ่ะ น้อยก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดและก็ให้เป็นภาระแก่พี่ๆน้อยที่สุดขอรับรองอีกครั้งนะคะว่าน้อยไม่ได้บ้าเสียสติไปหรอกแล้วก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันการกระทาอะไรของน้อยบางอย่างทุกคนอ่านไม่เข้าใจแต่น้อยเข้าใจตัวเองดีที่สุดและบางทีก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงถูกเหมือนกันอนุชา ย, ยิ้มแค่นเริ่อคลายความโกรธห ฟ, ฟัดหัวเวียงลงบ้าง พี่รู้ว่าเธอกล้าและก็เชื่อมั่นในสมองและฝีมือของตัวเองอย่างเต็มที่ในการเดินทางาในครั้งนี้แต่ก็นั่นแหละอย่าให้กลายเป็นความประมาทไปไม่ใช่เป็นความผิดของพี่ที่จะต้องเป็นห่วงเธอไม่ใช่เหรอดารินยกมือไหว้กราบขอบพระคุณพี่กลางคะ่ะแล้วก็กราบขออภัยด้วยถ้าน้อยก้าวร้าวอะไรไปบ้างเมื่อตะกี้นี้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 ในที่สุดสองพี่น้องก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ทำกลางความโล่งอกของชัยยันและพี่ชายใหญ่ของคณะดารินกับอนุชาโดยปกติแล้วก็มักจะมีความขัดแย้งปีนเกลียวกันอยู่เสมอและมักจะปะทะกันด้วยวาจาอันรุนแรงทะเลาะกันเป็นประจำอาจเป็นไปได้ในข้อที่ว่าอนุชานะ่ะเป็นคนโผงผางขี้โมโห เท่าๆกับที่ดารินก็ชอบเอาแต่ใจตัวเองแต่ทั้งหลายแหล่มันก็มาจากความรักความห่วงใยที่มีต่อกันนั่นเองประกอบกับไวที่ค่อนข้างจะไล่เลี่ยคบกันแบบเพื่อนมากกว่าที่จะเคารพยำเกรงแบบพี่ประเดี๋ยวกินอาหารเช้ากันเสร็จแล้วเราจะลงไปตรวจสถานที่ข้างล่างกันอีกครั้งนะเทธาบอกทุกคนพร้อมกันแงงมองดูท้องฟ้าซึ่งสว่างขึ้นเป็นลําดับ ระหว่างการร่วมรับประทานอาหารชั ย, ยันเข้ามานั่งใกล้ๆดารินพุ่งเงียบขึ้ถามว่านี่น้อยตั้งแต่ตื่นมาด้วยกันตอนประมาณตีสี่เสร็จศๆนั่นแล้วนี่เธอไม่ได้กลับเข้าไปนอนอีกเลยเหรอราชสกุลสาวสันศรีศักก็ไม่ได้นอนอีกเลยอ่ะมันไม่ง่วงพอเธอเข้าไปนอนแล้วฉันก็นั่งคุยค้าเวลาอยู่กับลุงอินอีกครู่ใหญ่ ก่อนที่จะเดินตรวจบริเวณออกไปยืนหยุดตรงชายเนินพักนั่นก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะเกิดบ้าระห่ำเดินลงไปคนมันอยู่ในภาวะร้อนรุ่มกรุ่มจิตอนะ่ะบางทีมันก็ทําอะไรอะไรที่คนอื่นเห็นว่าบาบา้บาบ้อ ง, อ, งออกไปได้เหมือนกันแต่ฉันก็พยายามจะระ ง, งับความรู้สึกชนิดนั้นไว้ให้ได้นะชายันอยากจะล่วงถามอะไรอีกเพราะยังไม่หายคล่องใจ เรื่องที่หล่อนกล้าเดินลงไปประจันหน้ากับไอ้ศตกตายซากคำนวณอายุไม่ได้นั้นแต่ก็ระงับเสียคิดอยู่ในใจเหมือนเชษฐาและอนุชาว่าค่อยๆใช้เวลาจับสังเกตดารินไปเงียบๆดีกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาตลอดคืนพิสูจน์ให้เห็นชัดว่ามันไรและบริบรวานของมันแม้จะไม่บังอาจลกล่อกลกลขึ้นมาราวีก่อกวนอะไรในบริเวณปางพักที่ลงอาคมไว แต่พวกมันก็หาได้หลีกเล้นหลบหนีห่างไกลออกไปไม่คงซุ่มคุมเชิงรายล้อมอยู่รอบๆตีนเนินอยู่นั่นเองอย่างเงียบกริบเพื่อรอโอกาสของมันอันเป็นสิ่งที่น่าสยองมากถ้าไม่ใช่พระดารินเดินออกนอกเขตปริมณฑลออกไปและถ้าไม่ใช่เพราะกระสุนไรเฟิลกับระเบิดที่อนุชากระช ย, ยันช่วยกันยิงถล่มลงไปทั้งคณะจะไม่มีโอกาสรู้ได้เลย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 ตรงลงลุงอินแต่เราก็อยากจะลงไปดูตรงชายเนินที่นายทหารยิงระเบิดลงไปตรงนั้นก่อนนะท่านหัวหน้าคณะรองตอบถ้างั้นก็เก็บของไปได้เลยเราจะตัดทางลงทางด้านนั้นอยู่แล้วจะได้ไม่เสียเวลานั้นอินสั่งการเก็บเข้าวของ ท, งทันทีและชั่วขณะเดียวคณะทั้งหมดก็เคลื่อนขบวนลงจากยอดเนินสักดำ โดยบายหน้าลงมายัางตีนเชิงอันเต็มไปด้วยละเมะไม้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ชายันถล่ม m 7 9ลงไปเมื่อได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของโขลงช้างภายหลังเมื่ออนุชา ย, ยิงไรเฟิลไปยังไอ้ผีดิบที่ประจันหน้าอยู่กับดารินสองนัดซ้อนขณะที่ลงมาได้กึ่งทางผ่านตำแหน่งที่ดารินยืนอยู่ใกล้โขดหินทั้งขยินนันอินและทุกคน ยกเว้นพวกลูกหากทำการสำรวจบริเวณนั้นก่อนอย่างละเอียดแล้วก็พบเข้ากระร่องรอยที่พวกลูกหากพบไว้ก่อนแล้วขณะที่เกิดเหตุหยกๆยกคือเศษกะโหลกของซากเก่าแก่โบราณซึ่งนานมาแล้วได้เคยเป็นกะโหลกของมนุษย์ถูกกระสุนไรเฟิลขนาดหนักของอนุชาผ่าแล่งไว้สี่ขนาดสองฝ่ามือใหญ่ๆ ห, หล่นกลิ้งอยู่กับพื้น อยู่ที่แง่หินตอนหนึ่งทุกคนดูเหมือนจะเคยชินซะแล้วกับสิ่งประหลาดชนิดนี้ไม่ได้สนใจอะไรมากนักที่จะตรวจสอบเพียงแต่ใช้เท้าเขี่ยดูเท่านั้นฮก็แปลว่าไอ้ตัวที่ออกมาประเชิญหน้ากันน้อยเมื่อชั่วโมงเสร็จเศษมานี่หน้าแหวงหายไปซีอีกหนึ่งละโดยลูกปืนของแกชยันพื้พัเบาๆแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะกลับมาหาเราอีกไม่ได้ ทั้งๆ ท, ที่หน้าแหว่งหายไปครึ่งนึงนี่แหละเพราะมันพาซากที่เหลือของมันหายไปแล้วอนุชาบอกกาพร้อมกับยิ้มเกรียมๆในลำคอเขาจำได้ติดตาวันนัดที่สองเขายิงไปที่กลางลำตัวของมันพอกระสุนระเบิดตูมมันก็พลิกกลิ้งด้วยแรงกระทุ่งของลูกปืนกลิ้งลงจากเนินไปแต่บัด น, นี้ไม่พบว่ามีซากของมันเหลือนอนทิ้งอยู่ให้เห็น ยกเว้นเศษกระโลกที่มันไม่สามารถจะเอาไปด้วยเท่านั้นที่หล่นให้เห็นเป็นหลักฐานอยู่นั้นอินกระหินลงไปถึงบริเวณป่าละเมาะด้านล่างก่อนแล้วช่วอึดใจเดียวก็ตะโกนขึ้นมาว่าเจอรอยระเบิดตกแล้วละ่ะสองหลุมใกล้ๆกันพงไม้แหลกเป็นแปล้งเลยนายมีเลือดสั์กระจายเปรอะไปหมดก็คงจะเลือดของไอ้ช้างพวกนั้นน่แหละ ้ะไม่มีตัวไหนล้มอยู่ให้เห็นเลยซักตัวคงจะโดนไม่ถนัดหรือไม่กับปืนระเบิดของนายทหารก็ไม่แรงพอที่จะล้มช้างได้แค่ทำให้มันตกใจเจ็บไปเท่านั้นจริงตามที่หนานอินและข ย, ยินร้องบอกขึ้นมาเมื่อฝ่ายเจ้านายทั้งหมดลงไปถึงยังบริเวณอันเป็นตำแหน่งที่ชัยยันยิงยอดระเบิดลงมาก็พบกะหลุมระเบิดตกซึ่งไม่กว้างใหญ่หรือลึกนัก อยู่ห่างกันแค่สามวาต่อหลุมเท่านั้นเป็นมุมเยื้องใกล้กันนิดเดียวแสดงว่าชายันสามารถยิงสุ่มลงมาได้ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงซ้ำจุดเดิมได้มากที่สุดและแวดล้อมรอบด้านอันเป็นพงไม้แลเห็นกิ่งใบขนาดย่อมๆขาดกระจุยกระจายด้วยอำนาจระเบิดและตามลำต้นที่เลื่องขึ้นมาหน่อยก็มีชิ้นระเบิดเล็กๆฝังอยู่เต็มไปหมด เพราะว่าก็ไม่ปรากฏซากของช้างหรือไอ้ผีดิบตนใดนอนทิ้งอยู่ให้เห็นเลยจะมีก็แต่รอยเลือดซึ่งคงจะเป็นเลือดของช้างพวกนั้นทิ้งเป็นหย่อมเล็กๆอยู่กับพื้นและกระจายไปถูกกิ่งใบไม้ที่พรุ่นไปหมดอนุภาพของระเบิดขนาด40มมแบบ M79 ไม่มีอำนาจรุนแรงพอที่จะใช้สเก็ดเล็กๆของมันเข้าไปสังหารช้างได้ ถ้าหัวกระสุนไม่ตกลงไปถูกตัวมันโดยตรงอันเนื่องมาจากชิ้นระเบิดละเอียดย่อยเกินไปมีไว้สำหรับสังหารมนุษย์จะมากกว่าสัตว์ใหญ่หนังหนาขนาดนี้แต่จะยังไงก็ตามอนุภาพของเสียระเบิดที่กึกก้องกปนานช่วยขับไล่ให้มันแตกกระเจิงไปได้อย่างง่ายดายที่สุดและสามารถจะยิงขับไล่หรือหยุดยั้งได้ในระยะไกล ด้วยความแม่นยำกว่าระเบิดความ